สามีจิตปฏิปโนเป็นผู้ปฏิบัติชอบนี่เป็นหลักที่สำคัญที่พวกเราจะยึดให้แน่นไว้ในใจอย่าลืมเป็ น, น, นอันขาดฉะนั้นการพูดมากอันนี้เป็นเหตุกับบุคคลที่ไม่มีปัญญาการสงสัยมาก การโพูดก็มากการโต้โต้ตอบกันก็มากเกิดขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวหลายประการจนกระทั่งเป็นเหตุให้ความเห็นของเราแตกต่างกันแตกต่างกันไปนเมื่อความเห็นแตกต่างกันไปความทะเลาะความมีวา่าเถียงกนันก็นมีเกินมาเลยเกิดขบวนบานฉะนั้นได้ตั้งอยู่ในความสงบเช่นนี้แล้วอ่ะ และมันดีมากแล้ก็ะขออาภัยของปดทชันทางหลายที่ประสบมาอยู่ในนี้ไอาการผิดพลาดวางประการนี้ในขณะสงฆ์นี่ก็ดูดูไปเพราะว่าไม่เคยจะดูเรื่องมาพบกันใหม่แต่สะกดรอยอยู่ตามไม่ประยุด์ดังนั้นเมื่อเหตุอะไรมันเกิดขึ้นมาพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านประจงบัญญัติ ตามเหตุที่มันเกิดขึ้นมาไม่ใช่ว่าท่านบัญญัติก่อนพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นสหาธรรมิกต่างคนต่างจิตใจมาร่วมกันนั้นก็ฟังแต่กามีความตั้งใจมั่นอยู่เสมอมีความบังนีอยู่เสมอว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่มีพระที่ปกครองอยู่นานจะแต่เป็นสถานที่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 เช่นที่ท่านทํามาแล้วเนี่ยไม่สงบท่ารทำไม่สงบที่ท่านสั่งขึ้นว่าหยุดให้การโพูดตันเสีย น, นีเป็นตัวอย่างแล้วก็เกิดความสงบขึ้นมาออันนี้ก็เได้ว่าการกระทําเช่นนี้ไม่ใช่ว่าอย่างหวังดีขึ้นเพราะท่านทัานหลายมายอยุดที่นี่ได้เป็นประโยชน์นี่คือความบวังดีอืม ในการประพฤติปฏิบัติก็ต้องเป็นอย่างนั้นพวกเราทำไมจึงมีความยุ่งยากลำบากเพราะการปฏิบัติเช่นนี้เป็นธรรมดาไม่ใช่ว่าถึงแต่ปัจจุบันมีเวลานี้ในครั้งพุทตกาลก็มีลาบากมากครั้งพุทตาลก็ลำบากก็เหมอือนกัน คนในครั้งพุทธกาลก็คนในสมัยนี้ถ้าเป็นปุถุชนมันก็เป็นปุถุชนเหมือนกันตรงนั้นเหมือนกันตรงนั้นฉะนั้นการยุ่งยากการลําบากทีกในการประพฤติปฏิบัตินี้มันที่เกิดขึ้นเพราะว่าทําไมเราฝืนหมนอืมเราฝืนหมั ืพราข้อประพฤติปฏิบัติท่านก็ต้องเป็นอย่างนั้นต้องศืนมันฝืนความรู้สึกของเราซึ่งมันเข้าข้านตัวเรามากซุกแขนงต่องศืนเช่นนั้นเช่นว่าเราวันอืมทานอาหารมากอย่างนี่เป็นต้นมาที่าทานวันนีมันน้อยทานมื้อเดียวนี่ก็ฝืนฟอง อ, อืม มันฝืนพอทุกอย่างมีแต่เรื่องฝืนฝืนทั้งนั้นต่อเพราะอะไรนะเราเป็นปุตุชนเราซึ่งเป็นปุตุชนอยู่ถ้าเราไม่ฝืนความรู้สึกของเราอันนี้ไอความเป็นปุตุชนยืออันตรพานนั้นมันก็ยังฝังอยู่ในฉันดานของเราเรื่อยไป การประพฤติปฏิบัติก็คือการฝ่าฝืนเรื่องจิตใจของเราซึ่งมันมีอยู่แล้วเป็นปุถุชนแต่ว่าคำสอนของท่านนั้นมีอนนานาจสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจมนุษย์เราทั้งหลายนั้นซึ่งให้เป็นปุถุชนนั้นใหเนเเน้เป็นอริยชนเป็นอริยชนได้ ฉะนั้นบรรดาพุ้ชาริษัท ษ, ษ์ทางหลายในครัง้งพุทธศาลบัดนี้มันก็ไม่แตกกันตลอดถึงตัวท่านเองก็เหมือนกันอย่างนั้นที่พระพุทธเจ้าท่านออกบวชก็เพราะท่านเห็นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงศืนมาเรื่อยๆมาถ้าหากว่าใครไม่พิจารณาอันแยกขายก็ไม่เห็นความรู้สึกของเจ้าของ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 ไม่ยอมรับความจริงแล้วไม่ยอมรับความจริงแล้ไม่พยายามทำทาตามใจชอบของเราเนี่ย ม, มันก็เป็นวิบัตมันเป็นปฏิบัติแล้วมันก็เป็นวิบัติเขี่ยคู่กันไปถึงแม่จะบวชมาถึงยี่สิบพรรษาสามสิบพรรษาก็ตามทีมันก็ไม่รู้รด ธรรมะของอษษษษงค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนมนุษย์ชาวประมงเขาไปจับปลาในหนองจะไม่มีปลาไปทุกวันมันก็ไม่ได้ทุกวันืมเหียนเหวไปทุกวันทุกปีมันก็ไม่มีไปทุกวันก็ไม่ได้ปลาทุกวันจะไปเท่าไรมันก็ไม่ได้ปลาทำไมเพราะปลาในหนองนันไม่มี นี่มันก็สำกันฉันนั้นเช่นตัวผมเองนี้จะถือว่าผมมีบวชมานานก่อนประชันทั้งหลายเนี่ยผมจะได้มรสผมจะได้ผลผมจะไ ด, ะด้ความเลิอดความดีอะไรก็เปล่าครับอืมเปล่าอืนานหรือช้าหรือเร็วนี้ไม่เป็นประมาณครับมันเป็นประมาณในการที่ถูกต้องความถูกต้องเป็นประมาณนี้ที่เกิด จะถือว่าแม่ท่านตั้จานท่านบวชตั้งยี่สิบปัรษาแล้วนะอย่างนี้มันก็ได้แต่ยี่สิบษานั่นแหละไอ้ที่ความถูกต้องไม่หมดนันไม่มีนะมันจะไปเกิดประโยชน์อะไรดังนั้นพอท่านทั้งหลายป็่เป็นนวักะที่เขามาปฏิบัตินี้เป็นต้นถ้าพวกท่านทั้งหลายเอาไปพิจารณาให้มันแยกทายถูกต้อง ความบรรลุถึงธรรมะของพวกท่านทางไหนก็เกิดเป็น ม, มีเกิดมีขึ้นมาการบรรลุธรรมะการกัตถุธรรมะนี้ถ้าเรามาคิดไปอย่างหนึ่งตัวรู้เหมือนว่ามันเป็นของสูงเกินไปไม่ควรที่เราจะเอามาพูดให้บรรลุธรรมะอมไอ้ความเป็นจริงคนเหมือนเรานี่นนี้เสมอแล้วที่จะบรรลุธรรมะนดะ้ บรรลุธรรมะมบรรลุธรรมะยังไงเพื่อเราเข้าใจในธรรมะอันนี้มันบาปบาปนั่นคือมันผิดมันผิดนั้นมันไม่เกิดประโยชน์ต้นและมันไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นทั้งนั้ น, นของทั้งหลายเหล่านี้เดียว่มมันไม่เกิดประโยชน์ต้นประโยชน์คนอื่นแล้วเข้าใจชัดเจนเช่นนี้ก็เดียว่า เ, ววเราบรรลุธรรมะซึ่งเป็นในทางที่จะควรละ เมื่อเริก จ, จากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นพ่อปฏิบัติในการจะทําคําสอนของปปุตติญาณการบารรลุธรรมะก็คือการรู้แจ้งธรรมะไม่ใช่ความเป็นอะไรอย่างอื่นเช่นเราเดินไปท่านาบเราบารรลุท่านาบรรลุท่าเรือเราก็คือไปถึงท่าเรือนั่นเองนะั่นตัวเดียกวา่าบรรลุท่าเรือ ขึ้นมาจากท่าเรือมาถึงสลาเรา น, นี้ประเดี๋ยวเราบรรลุสลาแล้วนะมันมาถึงสลาแล้วเรารู้จักความเป็นจริงนะเรารู้จักความเป็นจริงที่ถูกต้องแล้วก็นั่นแหละซึ่งที่ว่าเราบรรลุความจริงบรรลุธรรมะเป็นเช่นนั้นไม่ใช่แปลกไปอย่างนี้ไม่ใช่เป็นไปอย่างอื่นนอกจาเป็นไปเช่นนั้นเมื่อบรรลุถึงธรรมะแล้วจิตเดชทั้งหลายนั้นนะ มันก็สางไปมันก็ลดไปเป็นธรรมดาของมันเมื่อเรามีความเห็นชอบไอความเห็นผิดมันก็เลิกไปเป็นธรรมดาเอ่อเช่นนั้นอันนี้เรียกว่าอาการวันรุหรือการเห็นธรรมะมันเป็นแบบนี้ธรรมะอันนั้นมันคืออะไรอืมเปิดหนังสือรู้มีแต่ธรรมะอันนั้นอันนั้นมันก็เป็นตัวหนังสืออันหนึ่งคือชี้ให้ไปบอกธรรมะ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 มิฉนั้นคนเรียนหนังสืออ่านหนังสือไปพบธรรมะกันหน่อก็เป็นธรรมะมีคนทำให้เป็นธรรมะมตัวธรรมะคือตัวที่ถูกต้องถ้ามันถูกต้องละไอความไม่ถูกต้องมันก็หายไปหมดเช่นว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นหรือพระริยะบุคคลตั้งแต่เบื้องต้นทำกลางเบื้องปลายทำไม้ึ่าเป็นอย่างนั้น ท่านละกิเดชจะเป็นชันช้นๆเป็นวางท่านวางตอนหนักบ้างเบาบ้างอะไรทั้งหลายเรานี่ยก็อาศัยอันนี้ถ้าเรามีความรู้สึกอันนี้ตามเป็นจริงแล้วความรู้สึกที่สนใจมันก็หายไป ม, มันก็หายไปเองมันคือมันกำจัดตัวมันเองไม่ใช่ว่าเราไปกำจัดมันเมื่อเราปฏิบัติที่ถูกต้องเน่มันเป็นเอง คือของมันเป็นเองมันมีสัดส่วนของมันอยู่ฉะนั้นเรามีอำนาจแต่ที่จะต้องปฏิบัติให้มันถูกสัดส่วนมันเท่านั้นเมื่อมันถูกสัดส่วนมันมันก็รู้เองมันก็เป็นเองของมันสิ่งที่มันเป็นเองมันมีอยู่อย่างนั้นฉะนั้นการปฏิบัติของพวกพุทธบริษัททั้งหลายนี้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 ไอ้ความรู้ซึ่งมันตามเป็นจริงนี่มื่อรู้แล้วมันละรู้แล้วมันละใครให้มันละตัวมันเองมันรู้แล้วมันบ่ละของมันเองไอ้ความรู้ที่มันจํามาด้วยสัญญาด้วยความจําของเรานี้มันรู้มันละไม่ได้รู้แล้วมันบ่ละไม่ได้นั่นความรู้ชนิดหนึ่งเดี๋ยวไอ้เขาความรู้ด้วยการจํา มันเป็นเช่นนั้นไอ้ความรู้โดยการภาวนานี้มันจึงมีน้ำหนักฉะนั้นสัพร ม, มาศาสตาดาของเราจึงเน้นหนักในการภาวนาในการปฏิบัติอย่างที่พวกท่านทั้งหลายมาอบรมในวันนี้มาอบรมเพื่อตอนเองถึงแม้ว่าจะมาอาศัยคนอื่นก็เป็นบางอย่างบางประการ ร่วมที่แท้จริงๆนันจะอาศัยตัวของตัวจริงๆซึ่งจะเป็นไปได้อย่างนั้นอืมเมื่อความเข้าใจรึกซึ้งจากความเป็นจริงนั้นมันเดือมไม่ได้มันเรือไม่ได้อืจะนั่งจะยืนจะเดินมันเรือไม่ได้ในเระยาบททั้งหลายในการยืนการเดินการนั่งการนอน อิริยาบถ ท, ทั้งหลายนี่มันมีความส ม, ม่ำเสมออยู่แล้วคือความรู้สึก น, นั้นมันประจําอยู่ในอิริยาบถฉะนั้นท่านผูรู้ทั้งหลายจึงเรียกว่าอิริยาบถเสมอการปฏิบัตินี้ให้มีอิริยาบถเสมอเสมอแต่เราก็เข้าใจผิดแต่ก็ไม่ผิดมากอะไรเท่าไรแต่ว่าเราจะต้อง ทำการยืนการเดินการนั่งการนอนให้สบายเสมอเท่านั้นอันนี้มันถูกไปเพียงข้างนอกมันถ้าถูกไปทางข้างในมันเนี่ยพูดไปถึงข้างในเป็นปรมัติธรรมแล้วอริยาบทมันเสมอนี่เรามีการยืนเรามีการเดินเรามีการนั่งเรามีการนอนหมายถึงท่านผู้รู้ตามความเป็นจริงนั้น จะยืนอยู่มันจะรู้อย่างนั้นอยู่จะนั่งอยู่มันก็รู้อย่างนั้นอยู่จะเดินอยู่มันจะรู้อย่างนั้นอยู่จะนอนอยู่มันจะรู้อย่างนั้นของมันอยู่เนี่ยเรียกได้ความรู้อันนั้นมันสม่ำเสมอจิตในอิริยาบถฉะนั้นมันจึงมีการละรู้อันนั้นมันละ รู้แล้วมันรักในตัวมันอันนั้นมันเป็นปัจจัิตังเป็นคนุณธรรมอันหนึ่งซึ่งมันมีในจิตซึ่งมันทําลายอาสวะทั้งหลายออกจากจิตใจของมนุษย์ทั้งหลายได้นั้น ท, ทํา ไ, ทไมท่านจึงระจิริทได้ทําไมท่านจึงระความโรคได้ทําไมท่านจึงระความโกรธได้ทาไมท่านจึงระความหลงของท่านได้ ก็มีคำเดียวเพราะท่านรู้ตามความเป็นจริงว่าอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นเทาน่านี้รู้ตามความเป็นจริงว่าอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นเทาน่านี้มันก็ไม่มีอะไรที่จะต่อสู้จะไม่มีอะไรให้เกิดผิดให้เกิดปัดจจัยขึ้นมาอีกอโรคอันนั้น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 อาหารของมนุษย์ทั้งหลายนั้นกับอาหารของสัตว์ต่างกันเช่น ว, ว่าไก่อย่างนี้เป็นตัวอย่างมันไปเพาะอะไรอะไรเข้ามันเป็นอาหารของมันเป็นเรื่องส่วนกืบกับหลกของมนุษย์แต่ว่าไก่มันแย่งกันกินแต่เรามองเห็นเนี่ยทำไมมันละได้ไหัหยมันไม่เอาอ่ะอือถ้าไปวัดเรื่องของไก่เมื่อไก่มันชอบกันได้เกิน ถ้าหากะมันมีความรู้ดีมันอัศจรรย์มนุษย์เหมือนกันเนลยนะทำไมมนุษย์มันละไปหน้าอย่างนี้อันนี้ก็เพราะว่ามันเหนือกว่ากันมากทีเดียวเลยอันนี้กับฉันนั้นเรื่องที่สัานไหระนั้นมันเรื่องไม่เกิดประโยชน์เรื่องที่มันเป็นโทษทั้งหมดนั้นที่พระศ า, าสดาไหละชวนในพวกเราละให้ทิ้งไหละ ก็สิ่งที่มันควรละอืมอันนั้นที่มราเห็นชัดสั่งว่าทิ้งของท่านไอ้ที่โฟกเราทั้งหลายยังจมอยู่ในโฟลนั้นก็ไปพยายามเอาไอ้สิ่งที่ท่านทิ้งเยเกิดประโยชน์อยู่มันก็เป็นเรื่องของอย่างนี้อืมฉะนั้นจริงเป็นเรื่องของกิจการภาวนาเนี่ยเรื่องการที่เจรนาให้มันแยกทายที่สุดอืมดังนั้นที่พวกท่านทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติ ในที่นี้นั้น อ, อจริงในเกิดประโยชน์ไอ้ประโยชน์นั้นคือม่วงหมายประโยชน์ที่มันเกิดกับจิตใจของเ จ, าจา้าของนะอย่าไปโห่งหมายประโยชน์กับคนอื่นเลยเช่นว่าะจะมาอบรมธรรมะกับผมนี้ผมจะให้ธรรมะกับพวกท่านทั้งหลายนั้นอย่างชอบใจแล้วรู้แจ้งแทงตลอดไปสมสมสมตเสมอไปนั่นอันนั้นมันเป็นคนดาเรื่อง เอเรื่องปฏิบัติเรื่องส่วนตัวของเราอันหนึ่งเรื่องคนให้ธรรมะนั้นก็เป็นเรื่องอันหนึ่งเรื่องเข้าใจของเราแท้จริงเเป็นเรื่องอันหนึ่งเหมือนกันให้ธรรมะข้อเดียวกันมีความแตกต่างกันมากมันไม่เหมือนกันเพราะเครื่องรับมันต่างกันมันไม่เหมือนกันเช่นนั้นฉะนั้นอันไดก็ตาม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 แม่มันลบากอะไรก็พยายามฝ่าฝืนมาสงเคราะห์อนุเคราะห์ช่วยฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่สุดเพราะความจำเป็นเป็นวันที่สุดแห่งการอบรมในทีน่นี้แต่เรื่องความติดต่อนิสัยอุปนิสัยต่อต่อไปนั้นผมกับพวกท่านทั้งหลายนี้ตามธรรมะหลัก ของการประพฤติปฏิบัตินี้ชื่อว่าเป็นอันเตวาสิกับอาจารย์ที่ให้ธรรมะกับท่านทั้งหลายนี้ท่านต่อเดียก ว, ว่าเป็นธรรมอาจารย์ธรรมอาจารย์คือที่ให้ธรรมะให้ข้อคิดให้แนวทางธรรมะมเรียกว่าเป็นธรรมอาจารย์เป็นอาจารย์เรียกว่าธรรมอาจารย์ พวกท่านทั้งหลายนั้นก็ดีกว่าเป็นอันเตวาสิกคือเป็นผู้ที่ได้สรัทธรรมะกับผมซึ่งเป็นธรรมอาจารย์นั้นิ่งทั้งสองประการนีน้มันเป็นคู่กันไปตลอดกาลตลอดเวลาต่างโคมต่างอาศัยกันไปเช่นนี้อันนี้จะไม่ลืมในชีวิต เราทั้งหลายที่เกิดมานี้จะไปตกอยู่ที่ไหนก็ตามอะไรก็ตามจะเป็นอะไรก็ตามที่ไหนก็ตามเป็นต้นให้พากันรู้จักการันตูรู้จักกตเวทีรู้จั ก, กจิตของอุปชารู้จั ก, กจิตของอาจารย์ธรรมอาจารย์อาจารย์ก็รู้จักสวงเพาะ อันเตวา่าจิตซึ่งเป็นลูกจิตอันนี้เป็นธรรมดาเรื่องธรรมะข้อประเพฤปฏิบัตินี้รูกจิตมันวิ่งก่อนกันได้รูปจิตมันวิ่งไปก่อนก็ได้เดินหน้าไปก็ได้อืมอันนี้มันเป็นเรื่องนิสัยอุปนิสัยเรื่องปัจจัยเรื่องปัญญาที่มันเกิดขึ้นมาอันนี้อืม ฉะนั้นต่อไปนี้พรุ่งนี้ผมจะได้กลับอาวา่าตามที่เราได้ศึกษากันเนี้ยเพราะว่าถ้ากลับไปอาวาาในคราวนี้นั่นนะธุระหลายเห็นจะไม่ได้กลับมาอบรมอีกต่อเมื่อวันถึงวันที่สิบแปด นั่นแหละตามกำหนดการผมจะอารมมารับรับไปพักวันทั้งบทโพงนี้ก็จะอารมมารับไปทำแต่งเพชรตามกำหนดการที่เราพูดกันไว้ฉะนั้นต่อ น, นี้ไปเวลามันมีน้อยโอกาสมันมีน้อยพวกท่า น, ท, า น, นาทั้งหลายที่หวังดีต่อการประพฤติปฏิบัติแล้ว ถ้าจะมีอะไรที่ความมีความขัดข้องและมีความสงสัยและมีความจําเป็นที่จะศึกษาให้เป็นประโยชน์ส่วนตัวของปรมาธิยานนั้นผมก็ขอให้เป็นโอกาสที่ให้ปรมาธิยานน์ได้จะถามปัญหาและกับผมจะตอบปัญหาให้พอสมควรเพราะว่าเป็นวันสิ้สุดท้ายในสถานที่นี้ต่อ น, นี้ไปขอขอให้โอกาสพปรมาธิยานน์ ตามสบายทุกทา่ทานเ ว, วลามันน้อยไปโนหน้าเป็นไงฮไงโนนหน้าเป็นยังไงทุกท่านนะให้โอกาสแล้วนะบุนเออความรุ้ที่ผมทาบว่าเกิดนะจากกัรยิดมั่ ถึงนั่นไงเด่นเจขาห้ามีรัชา้านหอี่้านะรจะทไอ่าระก็คือเราเก็บมันไว้ไม่ใช่อย่างมันกระป่าเราเด่นเจขงห้าคืออะไรบ้างโรคเสียงกลิ่นนจเขันเั้งห้าก็คือขนห้าที่มันมีอยู่นี่แหละ ลูกเวทนาสัญญาสังขานบิน ญ, ญาณที่มันมีอยู่แล้วคำที่ว่าระอันนั้นคือท่านรู้ว่ามันเป็นเตียงเบ น, นจะขันทนนั้นเบนจะขันนี่เราชื่อมันอาศัยมันไว้ทันนั้นไม่ใช่ว่าเราจะไประมันได้เช่นว่าวันนี้มันปวดหัวหรือมันปวดท้อง มันเริ่องเดียนจะขันมันเป็นอย่างนั้นที่เรามีอำนาจที่อยู่ที่เรารักกว่ามันเป็นจะขันเป็นของของเราเนี่ยเราพอยาวยาจุด ย, ยารักษามันไปพอจนปวดรักษาเลยโดยกระทั่งเพียงว่ะอันที่มันยากันตายไม่มีเนี่ยเราต้องรู้อย่างนี้เดียวกว่าการละจนว่าเราเป็นไข้เราจะต้องเข้าโปัพยาบาล เป็นธรรมดามันอย่างนี้เราก็นึกในใจแล้วอืมตายก็เอาเป็นก็เอานี่ต่างๆไว้เพราะมันไมแน่นอนเรื่องเป็นเจ้าขันมันเป็นเรื่องคนเป็นเจ้าขันพื้นขามันร้อนมันก็ร้อนพื้นคาวมันเย็นมันก็เย็นพื้นคาวมันเจ็บมันก็เจ็บพื้นขามันปวดมันก็เห็นแต่ว่าสักแต่ว่าทุกเกิดขึ้นมากพราสักแต่ว่าทุกเวทนา สุขเกิดขึ้นมาตรูว่าสุขเบทนาเท่านั้นคือไม่มีตัวมีตนของเราไปฝังอยู่ในที่นั้นนี่เรื่อการปล่อยวางการปล่อยวา ง, าวางไม่ใช่ว่ามัน ม, มีอะไรปรากฏขึ้นมานะ่ะมันมีปรากฏอยู่แล้วมันมีปรากฏอยู่การปล่อยวางก็เห็นว่าอันนั้นเราบอกคนไม่ไดเรื่องอันนี้จังทุกขังอนัตตาของเบญจขันต์มันสิ้นของมันอยู่อย่างนั้น เรื่องเรารู้จกกักมันเป็นอยู่อย่างนั้นของมันนั่นเองและเราไม่หมดทางไม่มีทางอะไรจะแก้ไขมันแก้ไขมันในความรู้เท่าตามความเป็นจริงว่ามันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นก็ปล่อยวางทาที่ว่าปล่อยอยางงั้นเราก็รู้เรื่องว่ามันเป็นเป็นนั้นแต่เราก็ปล่อยสุขก็สักแต่ว่าสุขทุกข์ก็สักแต่ว่ามันทุกข์ เป็นของจากแต่ว่าอันนี้เบญจะขันนี้เรายึดว่ามันเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราอันนี้จะให้เกิดทุกข์ขึ้นมาพระพุทธเจ้าต้องพยายามว่าเบนจะขันนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไ, ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเนี่ยว่าเป็นธรรมชาติอันนั้นเกิดมาแล้วมันก็หลับไปมันไปอย่างนั้น ใครจะไปร่องขอยอมือทุกสิ่งทุกประการนั้นมันเป็นไปอย่างอื่นไม่ก็ไม่เป็นมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันก็หมดทางแก้ไขของมันแล้วได้ปรวัติจิตมันก็วางมันละเฮ้ยแต่เองของมันเองนั้นอืนด้วยการกำหนดพีเจตนานั้นว่าเรากรวยเนี่ยใจผมทํำยังไงมันถึงจะหายหายตัว มันสู้กับความกลัวซะต่อที่ไหนมันกลัวจะมันจะไปดู้ตรงไหนมันกลัวอย่างเี่นว่าประช้าเรากลัวมันนะอยู่ประชาเรากลัวมันตรงนั้นเรากลัวเรไปนั่งอยู่ตรงนั้นไงให้มันกลัวรูปที่กระทันตืนมันกลัวให้มันกลัวไปสุดที่มันกลัวมันก็เลยตายไปอเหมือนกันกลัวอะ้รมันก็ตายไปเหมือนกันเนีมันหายอะไอย่างนี้ถ้ามันเป็นเทนะออมันเป็นอย่างนี้เองมันเป็นอย่างนี้เอง เช่นว่าการปวดอย่างเนี้ยแหมมันปวดเรื่อยเกินนะจริงเอาชนะไม่ได้ยังไงคือไม่นชนะมันก็หยุดสะก่อนคิดมันอีกวาระหนึ่งน่ะมันจะปวดจะเก็บได้ดอยอย่างน้เราจะเอาชนะมัเอาดูที่ตายตะวันอาวันนี้ตายกันพูดอย่างนี้ไม่พูดมากกนวะ่าวันนี้ตายกันตายกันเพราะมันปวดขานี่นะนั่งนีนะจะให้มันตายตะวันนี้ มันจะบวชมาฉะนั้นใครท่านบอเลยว่าเราตายแล้ววันเนี้ยนะไม่ส้องพลิกมันหรอกบวรต้องตายบวชมันตายแล้วให้ตายวันนี้ตายไม่เป็นนี่ตายเอาตายท่าเดียวนะผลที่สุดเอาให้มันตายท่าเดียวนะมันตายเหงื่อมันไหลมันซสื่อมบอกมันหมดทุกข์แล้วทุกข์ก็ตายไปเมื่อไหร่เออมันเป็นอย่างนี้ก็ได้นะนี่นะนี่เราจะมีกําลังเป็นมาแล้วในทางธรรมะเป็นแบบไอ้ข้ามเมตนาข้าบเมตนา ตัองจ่อสู้อย่างนั้นอือันนี้เราก็เห็นปิจักขึ้นมาอืการที่วางที่เบี่ยงมันทิ้งดีจะรู้เทามันจะพูกอย่างไรารู้ว่าอันนี้มันเป็นแก้ไขไปพอสมควรที่เรียกว่าการเจ็บมีไหมมีที่สันวางวางแล้วขันห้าวางการเจ็บมี ม, มีเจ็บมีแต่ว่าสักแต่ว่าเจ็บ ทุกอย่างยังเป็นอย่างเก่าอยู่นะอแม่จะฉันหวานแม่มันก็ยังหวานอร่อยอยู่นั่นแหละเมื่อเราจะฉันเปรี้ยวมันก็ยังเปรี้ยวอยู่นะไม่ใช่ว่ามันพิ้งไปหมดต่อเสวาเปรี้ยวก็สักแต่ว่าเปรี้ยวนะหวานก็สักแต่วะหวานอร่อยก็สักแต่ว่าอร่อยไม่ไปซ้ํามันอีกในทีนั้นเลยก็มันเป็นของมันอย่างนั้นความรู้เท่าเช่นนี้พระพุทธเจ้าสัมเนรู้เ่มารู้ รูปก็คือตัวรูปเวทธนาก็คือความสเสมอิสุขสเสมอทุกสัญญาตัว ค, ความจำสังขารก็คือความปูนแต่งวิญญาณก็คือความรู้เราเห็นมันแน่ไหมที่นี่เห็นเห็นมันแน่นอนเนาะในในรูปในเบญนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณนี่มีเจ้าของไม่เที่ยงทั้งนั้นนี่ ส่วนสูตรนี่มันได้ขอไม่เที่ยงถ้าเราเห็นว่าเอออะไรมันก็ไม่เที่ยงมันก็เท่านั้นอันนี้มันก็เท่านั้นอันนี้มันก็เท่านั้นมันจริงอย่างนั้นทังหมดเลยมันก็วางไอ้จิตมันก็วางแต่ว่างมันมันวางมันรู้มันไม่เป็นไปอย่างอื่นมันเป็นอยู่อย่างนั้นอันนี้เราพยายามคิดอย่างนี้พยายามภาวนาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆอันนั้นมันก็มันรู้เท่ากันมันเป็นได้อืม แต่มันก็สัมพันธ์มนุษย์นะโกรธที่แม้มันไม่สบายแต่มันชอบโกรธกันเนาะเมื่อความโกรธเกิดมามันขุนมันัวมันไม่สบายแต่มันชอบอยากจะโกรธไม่รู้เป็นไงนี่มันชอบเป็นเน่ะมันชอบเป็นมันชอบเป็นอันนี้เรียกว่ามันไม่เที่ยงมันก็ไปกลัวนนั้นแหละจะเอาเที่ยงกินได้เอาไปดีกินได้อืม อันนี้มันก่อนสำคัญว่า น, นี่ต้องเกิดมันเกิดเป็นมานตรต้องระงับไปด้ยการพิจรารณาให้มันถึงที่สุดของมันยกตัวอย่างเช่นว่าพระคดีมณ น, นกับพระอ น, อนุนพระคดีมโนนป่วยนะโอ้โหร่างกายเี๋ยมันหมดขนานั้นเพระพุทธองค์มีมนพระอา น, อนุน ไปเทศ่นี่ฟัง เ, ท, เ, งเงที่ยวนี่เป็นเจ้าขันนี่เนี่ไปถามว่าไอ้คินิมาโนโนเป็น ไ, ไงท่านเก็บที่ไหนปวดที่ไหนท่านว่าโอ้โหท่านผมตอบท่านไม่ได้เลยนะครับขึ้นเชื่อไปในร่างกายนี่ที่ไหนไม่เก็บที่ไหนไม่ปวดไม่มีเลยพระอนุรักษ์ริเทศสัญญาสิบฟังสัญญาในขันห้าเรื่องเป็นเปื่องของแน่นอนเนี่ ที่นี้มาโดนก็ฟังไปด้วยตากกจิตก็สงบเข้าจิตก็สงบเข้าภาวนาก็เห็นเข้าไปจิตสงบเข้าไปด้วยด้วยปัญญาก็เกิดเออเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่เที่ยงสักอย่างห น, นึ่งไม่แหน่อยไม่นอนไม่ใส่ตัวใช่ต้น ไ, ไม่เป็นเราไม่เป็นเขาอย่างเนี้ยมันก็เลยแยกกันโอกคนละอย่างไอ้ความยึดมัน่นถือมันมันเลยแยกออกจากเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นในเวลานั้น จิตใจของท่านไม่ไปยึดในเบญธนาทั้งหลายเหล่านั้นก็เรียกว่าพระสีมาโนนเกิดความสบายเพราะฟังธรรมสัญญาจิดจากพระอานนท์ฟังแล้วโลกก็หายอย่างนี้แน่ว่าเมื่อพระป่วยตรววันนี้ก็พยายามไปสวดให้ฟังนะแต่ว่ามันไม่หายแต่ <c oughs> <c oughs> ว่าแต่ว่าว่ามันไม่หาย ค, คือมันไม่รู้ธรรมะตามเป็นจริงนั่นเองน่ะมันทะเลก็ยิงร้องยิ่งคลางไปด้วยอยมันไม่หายนี่เดี๋ยวก็คิดว่าธรรมะนี่ไม่ใช่ไอความเปจริงมันไม่ใช่ตรงนี้นะเทศแห้เข้าใจธรรมะและ้วคิดมันวางเลยยอมทิ้งไปมันวางอย่างนั้นอืแต่ว่าธรรมะที่เข้าใจในใจจริงจริงคำธรรมะเจออะไรยิ น, ๆๆนเฉยๆนี่มันต่างกันนะสวดให้หายนะมันไม่หายหรอก แต่มันพอใจเสี้ยจริงๆแล้วมันหายเข้ามันเนี่ยมันสักเบวาสุขจักเบวาทุกแต่มันก็หายอันนี้ก็เป็นเครื่องที่สาคัญของพวกเราเหมือนกันนะอืมการ่ได้รความคมันกถ้าสมมติว่ามีกาวิารทิก็เป็นแค่นะคือว่าคารู้ที่จะนี่สำคัญนะมันก ทางเราต้องกันใหแบบที่ชาติที <|so|> ่ด um ีไเลอคมไม่ย yup ่งยืเองโอ้ท่านี้ชาติที่ดีก็ไปแล้วมันก็ทุกเกิดขึ้นมาทั้งนั้นแหละมันก็มีทุกเกิดขึ้นมานั่นแหละบางคนสมโภชนนะก็คิดว่าต้องตัดแต่สมโภชน์าคนที่ไปทำในการนันทศาสตรเนี่ยเขาคิดว่าเขาตัดแต่แค่ฆ่าคนแบนี้เพรามันจะเกิดอะไรไม่ได้อย่างนะ้นมันไม่ได้อย่างนั้น อันนี้ท่านพูดถึงเรื่องคนภาวนาอันนั้นคนยังไม่รู้จักท่านต้องไปทำให้รู้ในธรรมะอันนี้อันนั้นกีคนยังไม่รู้จั ก, ตนนนน ก, จกแต่ว่าคนยังไม่รู้จักอันนั้นผิดไหมมันก็ผิดนะ ม, มันก็ผิดอยู่มีฉะนั้นท่านจงให้ศึกษาท่านจงให้ศึกษาบางคนมันก็ว่ามิฉาทิ่ฐิมันก็เป็นสมาธิของเขาเห็นไหม มันเป็นเช่นนั้นท่นนั้นท่านจึงให้ศึกษาหาเหตุผลอันนี้ในมิจฉาทิฏฐิเดสมาทิฏฐิอันนี้มันไปในจบมันมีอันตรายการคันถ้ามันเป็นเช่นนั้นเดี๋ยมันทุกข์เป็นว่าอ่ามันไปโป้นเข้ามาเช่นนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่สักว่าแต่ทาไปนะเอ้ามันสักว่าแต่ทาไม่ได้หรอกตรงนี้เนาะมันสักว่าจะทําไม่ได้ไปโป้นตัวเอง มันสักกว่าจะตามเนี่ยถึงเขาจับมาได้อเอาไปติดตะลังหรือกขาจะคิดสักว่าจะติดตะลังเฉย อ, อันนี้มันเป็นคาสมมติที่มันไม่มีนะอืมที่มันไม่มีไอ้ควไอ้ความเป็นจริงอันนี้ที่สักแต่ว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของสัมมาทิฏฐิแล้วมันเป็นไม่เป็นเรื่องของมิจฉาสิทธิสักแต่ว่าอย่ามันเป็นคนแรท่อนอยู่แต่มันก็คงมีเหมือนกันนะ่ะ ม, ม, ม, ม, มันคงมีมันคงมีเหมือนกันแต่คือคนไม่คือคนนั่นมันหลงไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่มันเป็นอย่างนั้นเช่นว่าแมวนะแมวอย่างเนี้ยมันตะคุบหนูกินใครจะบาปแมวจะบาดหรือหนูมันจะบาดอ่เนี่ย อันนี้เรียกว่าสัตว์จำพวกทั้งหลายนี้มันเป็นกรรมของสัตว์อย่างแล้วจนกว่ามันไม่รู้อะไรมันเป็นอะไรเลยออันนี้มันก็ยังไม่เป็นบาปอะไรคือว่ามันเหนือบาปไปแล้วคือไม่อยู่ในล็อกอันนี้ไอ้ตรงนี้มันอยู่ไม่อยู่ในล็อกนี้มันอยู่ในล็อกนัน้นออืืมตรงนั้น พวกนั้นพระพุทธเจ้าก็าไม่รับการพิจารณาไอ้กรรมของสอักระับไปตรงโน้นมันผักไปตรงโน้ไม่ได้มารับดีใจในตรงนี้อันนั้นเรียกว่าหลงจนกว่าพิเวันเป็นอ ภ, ภิภาษัต์แล้วนะเป็นอ ภ, ภิภาษัต์มันเป็นส่วนหนึ่งนนแต่ว่ามันก็พี่เรียกว่า มันทำอย่างนี้เดี๋ยวมันมันโ้นคนก็จักเว่าโป้นคนฆ่าคนจักเว่าคนอันนี้ถ้ามันไม่พูดเอาเฉยๆมันก็คงเป็นไปไน่ได้จับไปจิตตารางมันก็สบายใจเนะซักแต่ว่าจิตตารางมาคงคิดไม่ได้นะอันนั้นเนี่ยอันนี้มามนุษย์กรรมกระตุงอยู่ในไว้อยู่้ชอบอันนี้มันอยู่ทีนี้ถ้าหากว่าเราไอความทุกข์กับความสุขเนี้ย มันเกิดคือจากการพ่อเห็นผิดเห็นถูกก็มีอืมถ้ามันไม่รู้มันก็ยังไม่รู้จักเช่นว่าเรานะจะไปกรุงเทพนะเอากระเป๋าสตางค์ใส่ใส่ถุงไปไปดีไปอยู่นะมเมื่อเดินลงลงบ้านไปจากบ้านไปไอ้เป๋าสตางค์มันดูดออกไปแต่เราก็เข้าใจผิดนะเรียกว่าเป๋าสตางค์เรยังอยู่นะไอ้ความเสียใจมันก็ไม่มีเหมือนกัน สบายใจแต่ว่ามันไม่สบายตลอดไต่ละเหตมันน่ะเหตที่ไม่สบายมันมีอยู่แต่ที่มันสบายในเวลานั้นเพราะเรายังไม่รู้เฉยๆที่เมื่อเราไปซื้ั๋วรถไปนั้นน่ะได้จะไปร่วมกระเป๋าในกระเป๋าตะต่างในกระเป๋าแตไม่มีนั่นแหละตอนนั้นเป็นทุกแล้ว น, น, นี่รู้จักมันเป็นทุกเมื่อเรารู้จักเมื่อไม่รู้จักมันก็ไม่เป็นทุก แต่ก็ว่ามันก็ชะลออยู่นั่นแหละชะลอให้เป็นให้จะให้ผลอยู่ให้ผลเมื่อเธอรู้จักขึ้นมาจะเป็นทุกข์มันเป็นในธํานองอันนี้ไอ้ความไม่รู้จักก็ให้เราสบายก็มีสบายเพราะไม่รู้จักเหมือนกระเป๋าตะตางมันตกหายไปน่ะแต่เมื่อรู้จักขึ้นมาแล้วมันเป็นทุกข์รู้จักความผิดถูกอย่างนี้แต่ก็เรากําหนิดแต่อย่างเดียวว่า อะไรก็ช่างมันอันนี้ผมก็เคยพิจารณาเหมือนกันคนคนเดียวพิจนารณาไม่รู้ว่าหลงหรือไม่หลงนะไม่รู้จักนะเวลาภาวนาไปรื้อๆทําไมถึงจะดื้อจากวาระหลงหอเรารู้ว่าไม่รู้เกิดการพิจารณามุนียันทุกนี่แหละสําคัญมากมันเกิดทุก มันเกิดสุขเกิดทุกที่มันมีไม่มีความสม่ําเสมอนั้นเนี่ยเรียกว่าอันนั้นมันผิดทีมันก่อทุกข์ขึ้นมานั่นมันเป็นเหีุเปิดทุกข์นั่นะมันเป็นเหตุขึ้นทุกข์ง่ายๆกีฬาน่าง่ายไอ้ธรรมราที่มันถูกต้องอันนั้นนะมันจะไม่หันเหไปในทางอื่นมันจะวางความดีใจหรือวางความเสียใจไว้แต่มันรู้เท่าด้วยความสม่ําเสมอของมันอย่างนี้ ไม่มีอะไรเพียมันจะเกิดขึ้นอีกถ้านให้ถงจะจะใณ้ถึงรูกตามใจว่าบังทีไม่คิดว่ามันยังไม่พิจารณาตจรไม่าที่จ ะ, อจะจ่อางนะยานใช่อันนี้ <laughs> อันนี้มันก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนะอ่ามันเป็นปัญหาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันต้องสมรุนกันถ้าถ้ามันยังไม่เห็นเราก็พยายามพยายามจนฝ่อมันใจห็นเปรียบง่ายๆก็เหมือนเราเรียนหนังสือนะแล้วเขียนตัวนี้ยังไม่สวยไม่น้ำแล้วก็ต้องพยายามเขียนมันอยู่นั่นนหละอ่าอ่า มีอะไรเราก็เขียนพยายามนึกพยายามเขียนพยายามน่ะเรียก่าพยายามเรียกว่าความเขียนจะพยายามอยู่ตรนั้นมันก็มีเรื่องเขอ่างเงี้ยที่จะพยายามให้มันรู้ให้มันเห็นแต่ว่าจะไปบังคับให้มันรู้เดี๋ยวนี้มันเห็นเดี๋ยวนี้มันรอดเปลียนไปเปนความลำบากนะอ่าเรื่องธรรมะนี่เรื่องที่เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อในการจิตเจสม่ำเส ม, สมอในการปล่อยวาง อมไปเร่าให้ฟังว่าเมื่อนั่งสมาธิอย่างนี้แล้วจะอยากให้มันสงบเดียวนี้อย่างนี้อย่างนี้ยิ่งมันยิ่งวายบางครั้งเราทําใจปล่อยให้สบายเสมอพอเอาเท้าขวาทับต่อไปมือซ้ายทับมือขวาขไปแล้วไม่ได้คิดอะไรมากมายมันสมรุนกันมันก็สงบกันไปอันนี้ต้องประกอบความเพียรต้องพยายามความเพียรดูความเพียรก็หมดแล้ว มันในหมดมันไปมันไปจนดิธีความพีดีย์เลยเนี่ยมันไปจนอยู่ตรงนั้นต้องพยายามตรงนี้ไม่มีอะไรจะแก้ไขละแก้ไขจะต้องพยายามตรงนั้นมันจะถอดสร้างอันนี้เอาไปนั่งอยู่ตรงนั้นก็ได้ได้ไม่ได้ถอดนะมันเป็นเองนะครับจะถอดออกไปมันนั่งมันตัวเราทั้งไทยก็เป็นตัวเราถึงนั้นนี่ครับเลืมตาขึ้นอย่างนี้มันก็ไม่เห็ น, นดับตาขึนเป็นตัวเราจริงๆทุกอย่างทุกส่วนทุกสิก่งไม่ได้สงสัยเลยครับ แต่เมื่อจิตมันเป็นมันมันมันแน่นอนนะมันไม่มีไม่ไม่ง่วงไม่เหงาไม่มีนิวอน์ตรงนี้ใส่สาเจ้างปวเรามาหัตจันรเรื่องของเราเองนะทับแม่อันมันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นของมันไปได้จริงๆเรื่อตาขึ้นเดียมันหายไปตับตาแล้วมันเป็นมนุษย์เนี่ยครับมันเป็นอย่างเนี้ยอันนี้เราก็ไม่ทีจะพูดนี่เรื่องสมาธิถ้าพูดไปก็ไม่เกิดประโยชน์คนไม่รู้จักนะถ้าพูดไปพวกก็หาว่าเราเป็นบ้าบางทีก็เป็นอย่างเขาว่าจริงๆ ร็พูดให้ดูเรื่องเพฉะนั้นอันนั้นเรื่องสมาธิเรื่องมันดูจับถ้าหากว่าเป็นเหตุผลอย่างอื่นนะเรานั่งสมาธิถึงจุดนี้เป็นอย่างนี้เกิดแล้วนั่งขึ้นมาขึ้นมาอย่างท่านเนี่ยอย่างท่านอย่างท่านเนี่ยวันนี้พรุ่งนี้จะมาเบียดเบียนผมียังไงพอนั่งปุ๊บต่อไปนี้มันเกิดขึ้นมานตัวท่านองค์นี้แมันเป็นอย่างนั้นจริงๆสีฐานนั่นจริงๆ มาแล้วมาทำหอกมาทําอาวุธมาตาวาดอะไรรุนแรงหุ่นวายเนะยอย่างนี้เกิดขึ้ม น, น, น, นมาแล้วก็มีครับช่วงนี้ปรือนี้สองวันมาแล้วเราก็ดูแต่อีธานีคนมาแล้วนะ้าระวังไงมันดีๆนะมันแน่ก็มีครับมันแน่เนี่ยมันเป็นสี ย, ย่างนี้อันนี้มันก็ไม่แน่ครับข่าวมันเป็นมันก็เป็นไปข่าวมันไม่เป็นมันก็เป็นไม่เป็นไป อันนี้เราจะไปเชื่อมันแน่นอนเลยนะดูแต่รู้เท่าที่ว่ามันมีเกิดมาแล้วพระพุทธเจ้าจันจึงตรัสว่าอย่าไปมั่นมาเลยท่านมันเป็นอณิจังมันไม่เที่ยงหรอกวันนี้มันจะมาชกเราพรุ่งนี้มันจะมาไหว้เราอะไรหลายๆอย่างเลยหาความแน่นอนอะไรไม่ได้ให้รู้มันจะดีกว่าดีกว่านี่ฉะนั้นเรื่องสมาธินี่มันกว้างมากจะน้อมไปทางไหนก็เป็นไปจะทํามน์มนก็เป็นนามน์จะทำหน้าอะไรมันก็เป็นอะไร มันได้ดีไปได้หลายอย่างไปครับขนาดนี่นมันเสื่อมอันนี้มันเสื่อมที่นี่เรื่องจิตใจคงคงเป็นสมาธินี่กับเป็นวิปัสสนานี่โอ้ยมันไกลกันมากไอวิปัสสนาเดินตรงๆจะลืมตาก็ได้จะรับตาก็ได้มันรู้อยู่อย่างนั้นนะอ่ะอืมันมีอยู่ซื่งมันเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเที่ยวไอสมาธินี่ถ้าติดเข้าไปแล้วก็เรียกว่าโอ้โห ไม่อยากกินข้าวถึงนั้นแหละนั่งมังนก็ทั้งวันก็ทั้งคืนนั่งก็ตลอดจนเป็นบ้าบ้าบ่บ่ก็มีเป็นบ้าอะไรยิ่งดีสัน น, น, นั้นไอ้พวกเนี้ยไอ้คนเราก็พอชอบนั่งมาได้จะไปโน้นเป็นไม่ไปเล่าอะไรที่เรื่องเราไม่รู้จักมาพูดให้มนุษย์ฟังนะไอ้พวกนั้นก็เชื่อเชื่อได้ทางที่ไปรู้จักกันแหละเอออะไรที่รู้เนี่ยเขาไม่เคยเชื่อหรอกพูดที่ไม่รู้จักมนุษย์มันเชื่อมันไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงไอ้พระพุทธเจ้าแวดงให้มันเชื่อในอการรู้ ไอคนเอาทารู้อะมันไม่ค่อยเชื่อนี่มันแปลกแบบนี้น่ะไอถ้าพูดที่เรื่องพมรโรคในเรื่องเทวราอารักษ์ทั้งหนายโอ้โหมันเชื่อแล้เกิดมาดูดิมันก็แปลกเหมือนกันเนาะแค่ว่ามันฉลาดมันก็โง่เหมือนกันนะเอมันแปลกเหมือนกันอย่างนี้มนุษย์เรามันชอบเป็นงั้นครับทีนี้เรื่องทางศาสนาเราก็เรียกว่าคันถาสุระหรปัจนาโทระอืคันถาโทระในการศึกษาอย่างที่นศึกษากันพ่อเนี่ยอืม นี่ปรัชนาธุระคือมาพิจารณาให้มันแยกภายในความรู้เราสัมไหรมาทําให้มันถูกต้องให้มันเป็นไปตามให้มันตรงกับจิตใจเรามาใช้เรียกว่าเป็นปฏิบัติธรรมะเนี่ยมันไม่มีมากก็ได้น่ะมันมากเฉพาะจิตใจของมนุษย์มันไม่ลงกันเท่านั้นเนี่ยไอคนนี้เห็นอย่างนั้นคนนั่นเห็นแบบนี้มันไม่มีจบสักทีหรอกผลที่สุดก็เลยเกิดอันตรายหลายอย่างจิตไม่ระงับอยู่ข้างนอกจมระงับอยู่ข้างในไอเท่านั้นผมก็เรียกว่า ได้อบรมลูกศิษย์วันนี้หลายหมื่นหลายแสนคนเหมือนกันนะมันก็เห็นมันเป็นแค่นั้นครับอืมจะให้ท่านองนี้กับองเนี้ยไปเรียนมาไหนศึกษาธรรมะกันทัทีเถอเนี่ยเอาลองกันเถอะไม่นี้ทางจบแล้วไม่มีจบอ่ะมีจอันนี้มันจบไม่ได้มันตรมนี่ยรมมันตรมมันตรมวงขนาดนี้ก็จบไม่ได้นะวงขนาดนี้ก็จบไม่ได้ก็เพราะมันตรมเนี่ยเอาทีลองดูสีมันเป็นวัฏจักรมันพูดไปตามวัฏจักร จิตเราก็เป็นบรตดาอยู่แล้วนะก็พูดกันตามบรตดาพูดไปตามบรตดาได้เยอะอย่างผมเคยเล่าให้ฟังไอ้หลานตากั่หลานเนี่ยเนี่ยตาจะไปไหนเออพ่อจะไปเผาศพค่ะศพคนตายตายตาคนตายแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นผีตาเขาวะเด็กมันถามนะตาผีตายแล้วมันเป็นอะไร มันเป็นสางตาตาสางมันตายแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นคางแดงตาคางแดงตายแล้วมันเป็นอะไรไม่ไปไหนไหนไปมันเป็นโคตรพ่อโคตรแหม่มอะไรเลยคือมันไม่รู้เรื่องของมันครับนี่แหละเรื่องเรื่องท่านไม่จบโอเคให้ท่านวิ่งไปข้างหน้าดิผมจะไล่ท่านเดียท่านจะหมดที่ไปไหมวิ่งไปโจนที่เท่านั้นแหละ เออเนี่ยมันอยู่อย่างนี้ครับมันเรื่องมันโลกแตกอย่างเงี้ยเอาเรื่องอย่างนี้เราอย่าไปเอาเหตุผลจนฝ่อมามันอย่างนั้นเลยมันไม่จบครับเหตุ<ส thers>หผลนั้นไม่จบถ้าจะพูดอะไรแล้วก็แบบโลกเราจะต้องให้มีเหตุผลนั่นน่นะเหตุผลในส่วนศีลธรรมอเนี้ยถ้าเหตุผลอย่างลึกลับไม่มีเหตุผลถ้ามีเหตุผลไม่จบทุกคนมันมีเหตุผลทั้งนั้นนะนีนนน่เหตุ ที่มันโมเหตุเหนือผลคือปฏิภาณไม่ต้องมีเหตุไม่ต้องมีผลนอกเหตุเหนือผลนอกสุขเหนือทุกนอกเกิดเหนือตายนั้นไม่ต้องเถียงกันแล้วพวกเราเดินนะไม่มีอะไรจะเถียงเลยเนี่ยเอามันเรียนก็ครึคือจะเถียงกันเถียงอะไรมันถูกของใครของใครเท่านั้นน่ยมันในจบแล้วมันเรื่องมันในจบมันบงมันจมมันก็ไร่กันไปเนียกว่าไอ้แพ้หลานเท่านั้น เรียกภบเมด่าหลานตอนนั้นเนี่ยมันไปไม่ได้จะทําไงละ่ะเนี่ยขอให้พวกเราสังหรายเข้าใจไาในการปฏิบัติอย่างนี้ให้มันดูอยา่ยาพุ่งออกไปมันมากเลยผมตามพอแรงเงื่อนตันอันนี้ตามไปแล้วครับอืมันยิ่งไกลไปไกลไปย้อนกลับมาดูต้นทีว่าวันนี้ใจเราสบายเนี่ยสบายเพราะอะไรเนี่ยวันนี้ใจเรามันเป็นทุกข์ทกเพราะอะไรไม่ใช่มันมาเกิดมาได้ร้อยหรอกครับมันเป็นทุกข์มันมีอะไร นั่นอ่ะเหตุมันแนี้กับเหตุมันทุกครั้งทีแก้วไปนี่มันแตกนมันจะเป็นนี้แก้วไปนี้มันทําไมมันถึงแตกันจะทุกแก้ไปนี้คืออะไรเราจะถามัเขาแก้วไปนี้มันแตกไอ้ของมันแตกเนี้ยแก้ไปนี้คืออะไรถามมันไปแก้วไปนี่มันก็ไม่ไม่ไม่รู้จักมันเป็นแก้วสมมุดไม่รู้มันเป็นอะไรมันก็ไม่บอกกันนะที่เกิดมาแล้วมันแตกมันแตกทําไมเราถึงเป็นทุกข์เพราะเราเข้าใจบางของเรา ไอ้ของเราสามาได้ทั้งไห้มันแตกแล้วนี่เนี่ยเราเราเราวนไปวนมาครับพวกไปวนมาบวกไปวนมาแล้วโอ้ลู้ที่รู้ ท, ที่ไม่มีอะไรมันจะหายไปครับนอกแก้วเราก็ไปยึดมันทไปนะออันนี้มันไม่รู้จักหรอกใครมันใครใครรู้จักว่ามันเป็นแก้วไหมเนี่ยมันก็ไม่รู้จักไมไปนะมันเป็นธาตุอะไรเป็นวัตถุเฉยๆเท่านั้นเนี่ยเราเรียกว่าแก้วมันก็เป็นเป็นแก้วโดยสมมุติเด แต่ที่จริงมันไม่มีอะไรนี่ครับือเห็นมันมีอะไรไหมมันก็ไม่มีอะไรครับอเพิ่งมันจะแตกไปนีนแก้วนี่มันก็ไม่เสียหายอะไรครับมันไม่ทุกข์ในตอนตัวเราโน้นไม่แตกมันทําไมมันทุกข์ล่ะืเนี่ยใช่ไหมอย่างต้นไม้ในสวนแล้วนี่ทุกทุกตัวทุกตนน่ะถ้าหากมาเราเออ่าเราทุกคนจะไปเกิดยทุกต้นไม้ต้นสมมติบางต้นบางที่ดีอยู่ในสวนเลยนะ แล้วอยู่บนบ้านแต่เราไปเกิดเป็นร่วงอยู่ทุกต้นในใ น, ในวัดต น, น, นี่ของวัดนั้นทำไมจะเป็นงั้นนะอืมเรามีสว น, นส่สร้อยไร่ปลูกลำไยเพื่อนทีให้คนอมีดมาฟันที่ไปตัดที่โป๊ะโป๊ะเอาตั้งอ่างนี้คฟังว่าใครมาตัดทุนมันถูกเราแล้วเนหะ็นไหมไปรู้ก็ไปตัดต้น ล, ลําไยลราเอาแล้วถูกเราแล้วนะเจ็บปวดแล้วนั่นแะครับเนี่ย คือตัวอุปทานนี่เป็นตัวเป็นตัวหนอนไปอยู่นะั่นมันไม่มีรูปหรอกครับมันไปยึดไปตรง น, นั้นถ้าว่าไปตัดไม้ในป่าเราก็เฉยใช่ไหม <c oughs> อันนี้มัน <c oughs> เพราะมาไม้ในป่าไม่ใช่ไม้เรานี่น่ะอันนี้ไปตัดต้นําใหญ่ที่เ ร, เราก็เรียกว่าของเราก็ทุกข์นี่ดีไม่ดีก็ฆ่าก็แกงกันได้เกิดเรื่องเกิด ร, ราวกันไปนี่นี่แหละครับตัวอุปทานนั่นแหละนี่พบหนึ่วนไม้ต้นอะไรเราเข้าใจของเราจริ ง, รงๆนี่เด็่ๆรู้กันซะ ลของเราแต่ให้เรารู้ก็ไปซ้อนเสบาไยอีกว่าอันนั้นของเรานี่ยโดยฐานกี่สมมุติอืถ้ามันจะเอาจริงจริงจังๆแล้วก็ปล่อยมันนะเราไม่ต้องเป็นทุกข์มันก็มาตัวหนึ่งนะอืมาตัวนึงมันฮึบเลี้ยงมันยากลำบากจับเชือกมันวิ่งแล้วก็จับมันไว้เพื่งปล่อยมันครับถ้ามันวิ่งเต็มที่มันอย่าไปจับมันนะครับปล่อยนะทเดียวเดียวมือมันจะขาดนะให้มันไปจะโซ่กับมาอย่าให้เราเสียอะไรนะ ถ้าเราจับให้มัน้ำเราแน่จะมือเราขาดเนี่ยปล่อยไหมถ้ามันไปขนาดนึงเราตึงมันไว้ตึงมันไว้ที่เราสู้มันได้อะไรทุกอย่างก็เหมือนกันเนี่ยร่างกายของเราเนี่ก็เหมือนกันสามารถจนดีดีเหมือนกันถ้ามันป่วยขนาดนึงเราก็ให้ยามันรักษามันไปนะถ้ามันเอาเต็มที่ไม่ไหวเราก็ให้มันเลยครับอย่าไปยุ่งกับมันด้วยอานมึงไปแลฮะเออมันมีท่อนนี้เท่านั้นแหละมันเกิดมาแล้วมันก็ไปหมดที่จะรักษากันแล้วเนี่ยมันหมดที่ของมาแล้วให้มีที่จบอย่างนั้นดี แต่เราไม่ค่อยาะคิดแบบอย่างนั้นนะเรามีตาคนหนึ่งมียายคนหนึ่งรักพอ่อรักแม่รักตารักยายอยากจะให้ท่านอยู่นานๆนะไม่ได้แปดสิปีก็ขอเก้าสิปีเก้าสิปีก็ขอร้อยปีรอยปีก็ขอร้อยห้าสิปีร้อยห้าสิปีก็ขอสองร้อยปีวะ่ะนี่ไอความคิดเราอย่างง้มันถูกหรือเปล่าเราไม่คิดดูนะ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 ถ้าเรายังใช่มันอยู่ก็เป็นของเราใช่อยู่ถ้ามันจะไปยิงหรือเราจะไปจากมันเราก็ไม่ใช่ของเราแล้๋ยวนี้อันนี้กตัวของเราเนี่ยมันของคนในอย่างอันนี้เป็นเราอันนี้เป็นของเรานะบางทีเราก็ไปก่อนของเรายังอยู่ใช่ไหมบางทีกับของเราไปก่อนเราก็ยังอยู่นี่ครับเนี่ยมันคนสองคนท่านี้เมื่อไรมันจะแยกกันเราก็ยังไม่รู้เราให้รู้มันไว้เราต้องแยกกันอันนี้เป็นเราอันนี้เป็นของเรา ไอของของของของต่างอย่างเนี่ยมันต่างจากของไม่แน่นอนถึงนั้นแหละเราใช้ไปเพื่อปัจจุบันธรรมเดี่ยวนี้ใช่แก้วใบนี้เพื่อดื่มน้ําเพื่อได้ทํางานธีริศเป็นอยู่แต่นั้นเน่ยก็ไม่มีอะไรนี่ถ้าหากวันนี้ใช้แก้วใบนี้แล้วก็ก็ทิ้งมันไปอันนี้ไม่ใช่ของเราเลี่ยตัวเราก็ไม่ใช่เราของเรามันก็ไม่มีไอความเป็นจริงมันไม่มีทุกอย่างไอทีเรือ่องเรามาพิจารณาชนีเป็นโทษก็มีนะ เป็นโทษตัวนี้น่ะอย่างเราเป็นครูเป็นอญญาจารย์เป็นพ่อเป็นแม่คนน่ะมีลูกเกิดขึ้นมานั่นนี่เราเรียนธรรมะแม่แม่เราไปบวชกับหวงพ่อไปศึกษารธรรมะไม่ใช่ของเรา呐น ะ, นะออกไปเป็นค า, ารวะหรอกะช่างมันทะลุมันไม่ใช่ของเราละ ว, วางแค่นี้ก็วางไม่ไปเถอะฉิบหายนะนี่เอออันนี้อันนี้มันจิบหายนี่ให้เข้าใจอย่างนี้หนะ มันไม่ตรงไปอย่างนี้นะมันสับซ้อนกันนะือออันนี้พ่อได้ไปเรียนมาสร้างตรงพ่อวัดประพงอะ่ะไปอยู่ป่าเขานั่นไป ส, สอนสอนในเด็ดขาด้วยนะอยากไปทําเช่นนั้นมันมีพั่วจะใช้นะระวังให้มันดีๆนะมันซ้อนกันเดงเนี่ยไอ้ที่เรียกว่าไม่ไม่ไม่ใช่ของเราเราเกี่ไหนแะต่วัดระวังอะ่ละลาเอาเอ า, เอาไปเอาใส่ทานแล้วล้างให้ดีนะลูกนะเก็บไปให้ดีเช็ดให้ดีเรียมันจะแตกแล้วพูดไปเถอะ ต้องไปในธํานองนี้นี่แียกคุณผูปฏิบัติทำฉะนั้นผมจึงได้ตัดมาเอละไม่ต้องเรียนเนี่ยนะพอเท่นี้ก็พอไจุดมันอยู่ตรงเนี้ยถ้ามันพ้นทุกตรงนี้มันก็พอแล้วน่ะเนี่ยแล้วผมจึงได้พูดวันนั้นว่าก็คงจะไม่รู้ว่าเราเรียนกันมานานๆเกิดมาพ่อแม่ศึกษาหรือมันคนในอย่างกันะแต่ว่าเรียนผลทุกไม่ได้เรียนเอาอนนั้น่ะได้อนั้นมาเราที่เก็บพ้นทุกันเนี่ย อันนั้นเสียไปแล้วก็เป็นทุกข์อยู่ได้นั้นมาเราก็เป็นทุกข์อย่างเนี้ยเราเรียนขนาดนั้นธรรมะไม่ใช่ว่างั้นเอาอันนั้นไปขอสมุดใดมาไม่ให้มันเป็นทุกข์เสียไปไม่ให้มันเป็นทุกข์นันนี่มัมีต่างอย่างนี้เรียนทางโลกเนี่ยได้อันมาเราไม่ให้มันเป็นทุกข์แต่ว่าได้มามันก็ยิ่งเพิ่มจนไม่รู้จักไม่รู้จักทุกข์คือมันมากขนาดนั้นมันก็ทุกข์แต่ไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักทุกข์เพราะมันทุกข์อย่างนั้นมันเห็นม่นัมืดอยู พระพุทธเจ้าจะไม่ไม่ถึงว่าไอ้การการพ้นทุกข์เนี่ยไม่ถึงว่าการมีทรัพมากการมีอะไรมากๆ ก, การมีความรู้อะไรมากๆากท่านหมายถึงนั่นคนมีทรัพมากมากเจอไปเห็นไหมคนมีความรู้มากมากเยอะไปเห็นไห ม, ม, ม, ม, ไหไมพ้นทุกข์ไหมมีไห ม, มอย่างนีน้ท่านหมายถึงความถูกต้องให้มันรู้จักกเรื่องอย่างความเปรียบอันนี้มันแจ้วอะไรเป็งแก้หรือไม่อย่างนี้ อืมีพวกโรคทั้งนั้นก็คงเขียงกันจนไปจนอุดตันแล้ว น, น, นะนะ น, นั่นนี่นะไม่จบเลยมันเจนอันนั้นอันนี้วันหนึ่งผมนั่งเรือข้ามแม่น้ํากับด ร, ร์มาจากฝรัง่งด ร, ร์อืไอคนนั่งใจเฮมาปฏิบัติด้วยนะแก้ขัดในการทำวัดตรวจมูลในการทําสงตรวจเเหมือนลองร้องเพลงเล่นเท่านั้นว่าเรองเพลงเล่นก็นนะ ร, ร้รองไปฮะ ก็เราชอบการฟังเพลงอย่าก็ร้องเพลงดิ้นอย่างนีะแกไม่รู้จักแต่มาพูดวายหลายนะแต่ได้มาพูดถึงเรื่องได้ต่ออะไรกันอ่ะอ่ามาพูดถึงเรื่องเคมีอะไรกันเราก็ไม่รู้อย่างเขานะมาพูดถึงน้ํากับไฟนี่แหละนั่งเรือไปอ่าถามคทำไมอันนี้คืออะไรน้ําอะไรมันเป็นน้ําเขาก็บอกว่าอนนั้นนั่นผสมเปนนั่นอะไรมันเป็นนันนั้นนั่นไปอยู่ตรงกับามไปเรื่อย เราเลยไม่ไม่ไม่ไม่ตอบไม่ได้ครับนั่งไปอะไรมันเป็นไฟเพราะว่าอันนั้นมันสมสําเป็นไฟอะไรมันเป็นอันนั้นนั่นตอบอีกผมถามไปเรื่อยๆครับได้ไม่มีอะไรก็ได้หมดเอ้ยไม่พี่ไม่จริงไม่จริงผมอม่าไม่ต้องพูดมันมากเขาเรียกว่าไฟก็ไฟซะก็แล้วกันเ้าเรียกว่าน้ำเราก็ว่าน้ํากันสะพอกันแล้ว